มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาทุติยวัคนามรูปะปฏิสันทีขหานหะปัญหาที่หก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 ยอดอ้อยก็แตกหน่อกอใบเป็นต้นลำเป็นอันอื่นไปและข้าพระพุทธเจ้าจะได้รักอ้อยเดิมแรกปลูกหามิได้อ้อยนี้กลายไปข้าพระพุทธเจ้าจึงได้เอาอ้อยอื่นมานี่แหละมหาบ่อพิษคําโจรทุลให้การชนี้จะมีโทษปรับไหมหรือหามิได้พระเจ้ากรุงมิลินปิ่นสาขาราช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 จึงให้คนติดสอยเข้าไปขอต่อบิดามารดากุมารีนั้นบิดามารดากุมารีนั้นเห็นว่าบุรุษผู้นั้นมีอัธยาศัยดีก็ยินยอมยกให้บุรุษนั้นสูงกลังทัตวาบุรุษผู้นั้นได้ให้ขันหมากมั่นแล้วตัวนั้นก็ลาไปสู่สถานประเทศอันไกลอปรเรณนะสมเยนะครั้นสมัยการนานมาส่วนว่า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 ว่าแล้วก็ส่งหม้อน้ำนมนั้นให้อิตโรเอวังวัทยะบุรุษผู้นั้นจึงว่าแกนายโคบาลว่าวานี้ท่านตวงน้ำนมโคให้แกเราเราฝากท่านไว้ก็เหตุไหนท่านจึงเอาทัตทิมาให้แกเราเราไม่เอานายโคบาลว่าเราจะได้เอาทัทิอื่นให้ท่านหาไม่ได้ ท, ทันินี้ใช่อื่น